จเจริญพรอีกตอนท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่13ธันวางคมพุทธศักราช2558เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อเป็นการเสริมสิริมงคล ให้แก่ชีวิตโดยการมาทำบุญให้ทานมารักษาศีลมาฟังเทศน์ฟธรรมมาปฏิบัติธรรมดังในพระคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงตรัสไว้ว่ากาเลนะธรรมกสวาัาเอตัมมังกลมุตตมังการฟังธรรมตามการตามเวลา จะนำความเป็นมงคลให้แก่ชีวิตเพราะว่าเวลาฟังธรรมเราจะได้รับอนิสงส์หลายประการด้วยกันคือหนึ่งจะได้ยินได้ฟังธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสองธรรมที่เราได้ยินได้ฟังแล้วพอได้ฟังซ้าก็จะเกิดความเข้าใจ ดีขึ้นไปสจะตัดความหลังเลสงสัยได้ 4. จะทําทำให้มีความเห็นที่ถูกต้องคือมีปัญญาและทําทำให้จิตใจผ่องใสสมบการจะฟังธรรมเพื่อให้ได้อันดีสองเหล่านี้ย่อมเป็นจะต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สมบ คือร่างกายก็ต้องไม่ทำอะไรต้องนั่งอยู่เฉยๆวาจาก็ไม่พูดคุยกันใจก็ไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ตั้งใจฟังทำที่กำลังแสดงอยู่เพราะว่าถ้ามีการกระทำทางร่างกายมีการพูดทงวาจามีการคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะไม่ได้ รับธรรมเข้าไปสู่ภายในใจจะได้ยินแต่เสียงที่เข้าหูซ้ายและออกหูขวาไปอา น, นิสงส์ต่างๆที่พึงจะได้รับจากการฟังธรรมก็จะไม่ได้รับเหมือนกับเวลาคว่มแก้วไว้เราจะเทน้ำใส่แก้วถ้าแก้วคว่มอยู่เทน้ำเข้าไปมากน้อยเท่าไหร่ ก็จะไม่มีน้าเข้าไปในแก้วเลยใจของเราก็เหมือนกันถ้าใจของเราหมัวไปทำอะไรอย่างอื่นหมัวไปจัดข้าวจัดของหมัวไปคุยกับคนนั้นคนนี้หมัวไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เวลาทำเข้ามาสู่หูของเราก็จะไม่เข้าไปในใจเหมือนกับน้ำที่เทลงบนแก้วที่คว่มอยู่ น้ำที่เทลงไปก็จะไหลไปที่อื่นไปหมดจะไม่ไหลเข้าไปในแก้วเพราะเราไม่ได้หงายแก้วไว้รองรับน้ำนั่นเองใจของเราก็เป็นเหมือนแก้วน้ำถ้าเราไม่หงายใจของเราคือตั้งใจฟังไม่ทำอะไรไม่พูดอะไรไม่คิดอะไรถ้าเราตั้งใจฟังสิ่งที่เราได้ยินได้ฟัง ก็จะเข้าไปสู่ใจของเราแล้วถ้าเราสามารถพิจารณาตามเหตุตามผลของธรรมที่ได้ยินได้ฟังได้เราก็จะเกิดความเข้าใจเกิดความเห็นเกิดปัญญาได้แต่ถ้าเราไม่เข้าใจแต่เรายังจดจ่ออยู่กับการฟังไม่ไปคิดไม่ไปพูดไม่ไปทำอะไรเสียงธรรมที่เรา จดจ่อใจไว้ก็จะทําให้ใจเราสงบผ่องใสได้นี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากการฟังเทศฟังธรรมด้วยกายวาจาใจที่สงบถ้าเราบัวแต่ไปทําเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั่นสิ่งนี้พูดคุยกันหรือคิดเรื่องงานเรื่องการเรื่องอะไรต่างๆทำที่เราได้ยินจะเป็น จะเข้าหูซ้ายแล้วก็จะออกหูขวาไปฟังไปก็จะไม่ได้รับประโยชน์อะไรในสมัยพระพุทธกาลนี้มีผู้ที่ฟังเทศฟังธรรมแล้วได้บรรลุมรรคผลนิพพานในขณะที่ฟังเลยก็มีเป็นจำนวนมากเพราะหนึ่งผู้ที่แสดงคือพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ที่แสดงธรรมที่แท้จริงธรรมที่ได้ทรง บรรลุถึงแล้วคือมรรคผลนิพพานขั้นต่างๆพอท่านนำเอาธรรมที่ด้านได้ส่งบรรลุ ถ, ถึงแล้วมาให้ผู้ฟังที่มีกายวาจาใจที่สงบคือกายวาจาสงบก็เรียกว่าศีลมีศีลที่บริสุทธิ์ใจที่สงบก็เรียกว่าสมาธิถ้ามีศีลมีสมาธิรองรับ พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะสามารถบรรลุธรรมขั้นต่างๆได้บรรลุเป็นพระโสดาบันบรรลุเป็นพระสกิดาคามีบรรลุเป็นพระอนาคามีบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้ทำไมสมัยปัจจุบันนี้เวลาพวกเราฟังธรรมกันจึงไม่สามารถบรรลุอริยธรรมขั้นต่างๆได้ ก็เพราะว่าผู้แสดงเองก็ไม่ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลผู้ฟังก็ไม่มีศีลที่บริสุทธิ์ไม่มีสมาธิจิตใจที่ตั้งมั่นพอฟังก็จะไม่เข้าใจฟังแล้วเลยไม่สามารถที่บรรลุได้การจะบรรลุได้นี้ต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์ก่อนแล้วก็ต้องฝึกทาใจให้สงบให้ตั้งมั่น ไม่ให้ลอยไปลอยมาให้ตั้งอยู่กับเสียธรรมที่เข้ามาสัมผัสกับใจแล้วใช้ปัญญาความฉลาดคิดด้วยเหตุด้วยผลตา่างถ้ามีความสามารถเหล่านี้ผู้ฟังก็จะสามารถบรรลุธรรมได้จะบรรลุธรรมขั้นไหนก็อยู่ที่ผู้แสดงว่ามีความรู้ความสามารถ ที่จะแสดงธรรมถึงขั้นไหนได้ถ้าเป็นพระโสดาบันท่านก็แสดงธรรมได้แค่ระดับพระโสดาบันผู้ฟังก็จะบรรลุได้เพียงขั้นระดับโสดาบันจะบรรลุขั้นที่สูงกว่านั้นไปไม่ได้ต้องฟังผู้ที่มีธรรมที่สูงกว่านั้นแล้วก็ต้องเป็นธรรมที่บรรลุไม่ใช่ธรรมที่อ่านจากหนังสือธรรมที่อ่านจากหนังสือนี้ ยังไม่ได้เป็นของแท้ยังมีความไม่ละเอียดพอที่จะทำให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังนี้สามารถเข้าถึงทมแท้ได้แต่ผู้ที่ได้บรรลุธรรมแล้วนี้ท่านจะมีความรู้ที่ละเอียดลึกซึ้งกว่าความรู้ที่ได้จากการอ่านหนังสืออย่างนั้นเวลาฟังธรรม ถ้าอยากจะได้บรรลุธรรมต้องฟังจากผู้ที่ได้บรรลุธรรมแล้วเช่นพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายเพราะว่าเมื่อได้ฟังธรรมแท้แล้วผู้ฟังถ้ามีมีกำลังรองรับมีสีงที่บริสุทธิ์มีสมาธิที่มั่นคงมีใจที่ฉลาดสามารถพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลตามได้ ก็จะสามารถบรรลุทำขั้นต่างๆที่ผู้แสดงได้แสดงไว้ได้นี่คือเรื่องของอานิสงสงของการฟังธรรมจะทำให้เกิดเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตความว่าความหมายของสิริมงคลก็คือมีความสุขมีความเจริญทางด้านจิตใจไม่ได้หมายถึงความสุขความเจริญ ทางลาบยศสรเสริญทางร่างกายร่างกายหรือลาบยศสรเสรเญนี้เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งคนละเรื่องกันเรื่องของธรรมนี้เป็นเรื่องของจิตใจจิตใจจะพัฒนาสูงขึ้นจากมนุษย์ก็จะขึ้นไปเป็นเทพจากเทพก็จะไปเป็นพรหมจากพรหมก็จะไปเป็นพระอาริยบุคคลขั้นต่างๆจนถึงขั้นพระอารหรันตสาวก หรือถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสั่งสอนทมก็จะตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาด้วยตนเองนี่คือธรรมที่เราได้ยินได้ฟังจะเป็นผู้ที่จะพัฒนาจิตใจของเราให้สูงขึ้นไปลำดับให้เราจะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปถ้าไม่มีธรรมของพระพุทธเจ้านี้จะไม่มีใครรู้จากวิธี ที่จะทำให้ใจของเรานี้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้สมัยก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้ามาตัศรู้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถก็รู้ได้เพียงระดับขั้นของสมาธิของฌางเท่านั้นแต่ไม่สามารถรู้ถึงขั้นของวิปัสสนาหรือปัญญาได้ต้องเป็นพระพุทธเจ้าเพียงพระ อ, องค์เดียว ที่สามารถที่จะเห็นต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดว่าเกิดมาจากอะไรจะเห็นต้นเหตุของความทุกข์ทั้งหลายว่าเกิดมาจากอะไรนอกจากพระพุทธเจ้าแล้วจะไม่สามารถรู้ได้เลยจะรู้ได้เพียงแต่วิธีดับความทุกข์ได้ชั่วคราวเช่นเวลาเกิดความทุกข์ใจ แล้วไปนั่งสมาธิทําใจให้สงบพอใจสงบความทุกข์ก็จะหายไปแต่พอออกจากสมาธิมาก็จะมาทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้ใหม่การนั่งสมาธินี้ช่วยได้เพียงชั่วระยะเวลาที่อยู่ในสมาธิแต่เวลาออกจากสมาธิแล้วสมาธิไม่สามารถที่จะช่วยดับความทุกข์ ต่างๆที่เกิดขึ้นได้แต่ถ้ามีความรู้ของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าวิปัสสนาเราก็จะสามารถใช้ความรู้ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรุปได้ทรงค้นพบนี้นำมาดับความทุกข์ภายในใจของเราได้และยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะต้นเหตุของความทุกข์และต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดก็เป็นตัวเดียวกัน ต้นเหตุที่เป็นทำให้เราเวียนว่ายตายเกิดที่ทำให้เราทุกข์แล้วทุกข์อีกนี่คืออะไรพระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบว่าเป็นตัณหานี่เองตัณหาแปลว่าความอยากความอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสอยากดูอยากฟังอยากดื่มอยากรับประทานอยากเสพความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอันนี้เป็น ความอยากที่จะทาให้เราต้องทุกข์เพราะว่าเวลาที่เราอยากแล้วไม่ได้เสกใจของเราจะทุกข์หรือเวลาเราสูญเสียสิ่งที่เรามีไว้ให้ความสุขกับเราเวลาเขาจากเราไปเราก็จะทุกข์ทุกวันนี้พวกเราเสกกับรูปเสียงกลิ่นรสเรามีคนนั้นคนนี้มาให้ความสุขกับเรา เราก็ต้องอาศัยตาหูจมูกมือกายดูคนที่เรารักเราชอบฟังเสียงของคนที่เรารักเราชอบสัมผัสกับร่างกายที่เรารักเราชอบพอเราได้อยู่ใกล้เขาเราก็จะมีความสุขแต่เวลาที่เขาไม่อยู่ใกล้เราเวลาเขาจากเราไปเราก็จะมีความทุกข์นี่คือความทุกข์ที่พระพุทธเจ้า ทรงเห็นที่เกิดจากความอยากหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้แล้วพอเวลาที่สูญเสียสิ่งต่างๆไปก็ต้องไปหามาใหม่เช่นคนที่มีสามีหรือมีภรรยาพอเขาตายจากไปบางทีก็ไปหามาใหม่เพราะทนอยู่คนเดียวไม่ได้ เพราะว่ายังไม่สามารถที่จะหยุดความอยากได้ตราบใดที่ยังมีความอยากอยู่แล้วพอเกิดความอยากขึ้นมาจะมีความรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาและถ้าไม่ได้ดังใจอยากก็จะไม่สบายไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้สิ่งที่อยากได้ความไม่สบายใจความทุกข์ใจนั้นถึงจะหายไป แต่หายไปไม่นานหายไปชั่วคราวเดี๋ยวก็เกิดความอยากใหม่ขึ้นมาอีกก็ต้องไปหามาใหม่แล้วถ้าเกิดเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปไม่สามารถใช้ร่างกายนี้ไปหาความอยากต่างๆได้ก็ต้องไปเกิดใหม่ไปหาร่างกายอันใหม่นี่คือที่มาของความทุกข์ที่มาของการเกิดแก่เจ็บตาย ถ้าเราไม่กำจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปเราก็จะต้องเจอกับความทุกข์อยู่เรื่อยๆจะท้อกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆความอยากนอกจากอยากในรูปเสียงกลิ่นลดแล้วก็มีความอยากมีอยากเป็นอยากได้สิ่งนั้นอยากมีสิ่งนี้อยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้เช่นเรา อยากจะเป็นสามีอยากจะเป็นภรรยาอยากจะเป็นพ่ออยากจะเป็นแม่อันนี้ก็ต้องทำให้เรา 2> <2> ต้องไปหาสามีหาภรรยาหาสามี 2> <2> หาภรรยาแล้วก็ต้องพยายามสร้างลูกขึ้นมาให้ได้เพราะความอยากถ้าเราไม่มีความอยากเราก็จะอยู่คนเดียวได้แต่ถ้าเรา ม, มีความอยากเราจะอยู่คนเดียวไม่ได้ พอเราอยู่คนเดียวไม่ได้เราก็ต้องเหนื่อยกับการไปหาคนที่เราจะมาเป็นคู่ครองของเราเมื่อได้มาแล้วเราก็ต้องคอยเลี้ยงดูเขาคอยปกป้องรักษาเขาอันนี้ก็เป็นความลําบากใจอีกแบบหนึ่งแล้วเวลาที่อยู่ด้วยกันถ้ามีความไม่เห็นตรงกันเกิดการทะเลาะกันก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาอีกนี่คือความทุกข์ต่างๆ ที่จะตามมาถ้าเราปล่อยให้เราไปทำตามความอยากต่างๆแต่ถ้าเราหยุดความอยากมีอยากเป็นได้อยู่เฉยๆได้ไม่ไม่ต้องมีแฟนไม่ต้องมีสามีไม่ต้องมีภรรยาเราก็ไม่ต้องไปลำบากกับการหาแล้วเราไม่ต้องมาลำบากกับการดูแลรักษาแล้วเราก็ไม่ต้องมาเสียอกเสียใจเวลาที่ทะเลาะกัน เวลาที่โกรธกันหรือเวลาที่จากกันนี่คือวิธีการหยุดความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆที่เกิดจากความอยากได้สิ่งต่างๆนั่นเองเพราะว่าความทุกข์นี้ไม่ได้เกิดจากอะไรเกิดจากสิ่งต่างๆที่เราได้มานี่แหละเพราะว่าพอเราได้มาเราก็จะมีความอยากให้เขาดีอยู่เรื่อยๆพอเขาไม่ดีก็ทุกข์ อยากให้เขาไม่เปลี่ยนแปลงพอเขาเปลี่ยนแปลงเราก็ทุกข์นี่คือความทุกข์ที่พวกเราสร้างขึ้นมาด้วยความอยากเช่นเดียวกับความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอันนี้เป็นความอยากชนิดที่สคืออยากไม่แก่บ้างอยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่ยากจนอยากไม่เป็นคนพินพการ อยากไม่ได้อยากไม่เจอกับสิ่งที่ไม่ชอบต่างๆความอยากเหล่านี้ก็จะทำให้เราเกิดความทุกข์ใจเพราะว่าเมื่อเรามาเกิดแล้วเราก็หนีความแก่หนีความเจ็บหนีความตายไปไม่ได้เราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันทุกคนแล้วเราก็ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายกันก็เพราะความอยากมีร่างกายนี่เองมีเพราะอยากจะมี มีตาหูจบูกริ้นกายไว้ดูไว้เสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็ต้องมีร่างกายแต่พอมีร่างกายก็มาเจอร่างกายที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่เราก็ไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายเพราะเราอยากจะอยู่ไปนานๆเพื่อเราจะได้หาความสุขต่างๆไปเรื่อยๆแต่มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราอยากร่างกายของใครก็ตาม เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปด้วยกันถ้ายังอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายถ้าอยากจะไม่ทุกข์ก็ต้องยอมรับความจริงยอมรับว่ามันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายวิธีที่จะทำใจให้ยอมรับได้ก็ต้องทำใจให้สงบถ้าใจไม่สงบมันไม่ยอมเหมือนกับคนไข้ เวลาที่หมอจะผ่าตัดนี้ถ้าไม่วางยาสลบคนไข้จะไม่ยอมให้ผ่าถึงแม่รู้ว่าผ่าแล้วจะดีแต่ก็กลัวความเจ็บไม่ยอมให้หมอผ่าแต่ถ้าหมอวางยาสลบนี้คนไข้ก็จะยอมก็จะปล่อยให้หมอผ่าตัดได้ฉันใดใจของโลกเราที่ไม่ยอมรับความจริงกันก็เพราะว่ามีความอยากต่างๆอยู่ภายในใจนี้เอง มันจะไม่ยอมรับความแก่ความเจ็บความตายมันจะไม่ยอมรับความสูญเสียความไม่เที่ยงแท้แน่นอนแต่ถ้าเราทำใจให้สงบได้ใจของเราก็จะนิ่งความอยากของเราก็จะสงบตัวลงไปพอความอยากสงบตัวลงไปพอเราสอนใจว่าร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ใจของเราก็จะรับได้ยอมรับได้จะไม่มีความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเพราะจะรู้ว่าเวลาเกิดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายขึ้นมานี้จะทำให้ใจทุกข์ทรมานดังนั้นการที่เราจะหยุดความอยากต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นความอยากทางตาหูจมูกลิ้นกายความอยากมีอยากเป็น หรือความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเราก็ต้องมาฝึกทำใจให้สงบกันความสงบของใจเรียกว่าสมาธิใจจะสงบได้ก็ต้องมีสติเป็นผู้กากับควบคุมใจเหมือนกับรถยนต์รถยนต์ที่วิ่งและนี้ถ้าจะให้รถวิ่งนี้หยุดก็ต้องใช้เบรกถ้าไม่เยียบเบรครถก็จะไม่หยุดฉันใดใจก็จะไม่นิ่งใจก็จะไม่สงบถ้าไม่มีเบรก เบรกของใจก็คือสติถ้ามีสติแล้วนี่สามารถเบรกใจได้หยุดใจได้ถ้าหยุดใจได้ก็จะหยุดความอยากต่างๆได้ดังนั้นเราต้องมาสร้างเบรกของใจกันคือสร้างสติกันสตินี้เราสามารถสร้างได้ตลอดเวลาไม่ใช่แต่เฉพาะเวลานั่งสมาธิเท่านั้นเราสามารถสร้างสติได้ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาจนกระทั่ง ถึงเวลาที่เราหลับตานอนหลับไปเวลานอนหลับไปก็จะไม่มีสติแต่พอตื่นขึ้นมาเราก็จะมีสติทันทีเราจะรู้ว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ที่ไหนนอนอยู่หรือนั่งอยู่หรือยืนอยู่แต่สติที่เรามีขณะ น, นี้มันมีกำลังไม่มากพอไม่มากพอที่จะหยุดความอยากต่างๆได้พอเราอยากจะดูอยากจะฟังเราก็หยุดมันไม่ได้ พอเราอยากมีอยากเป็นเราก็หยุดมันไม่ได้เราจึงต้องมาเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นอะไรกันต่างๆเพราะเรายังไม่มีสติกำลังพอที่จะหยุดความอยากต่างๆได้นั่นเองเราต้องมาเสริมสร้างสติกันวิธีเสริมสร้างสติก็คือให้ใจเรามีอะไรผูกไว้ให้ผูกไว้อยู่กับ อ, อันใดอันหนึ่ง เหมือนกับเวลาที่เราจะจับหมาไม่ให้ไปเพ่นพ่านเราก็จับมันผูกไว้กับเสาถ้าจับมันผูกไว้กับเสามันก็จะไปนู่นมานี่ไม่ได้ใจของเราถ้ามีอะไรผูกไว้ก็จะคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ไม่ได้พอไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็จะสงบได้สิ่งที่เราจะใช้ผูกใจนี้ก็มีหลายอย่างด้วยกัน เช่นคำบริกรรมพุทธโธพุทธโธนี้ก็สามารถที่จะผูกใจไว้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้ถ้าเราสามารถผูกไว้ได้อย่างต่อเนื่องใจของเราก็จะว่างใจของเราก็จะสงบเวลานั่งสมาธิใจก็จะรวมเป็นหนึ่งสักแต่ว่ารู้เข้าถึงความสุขที่เลิศที่ประเสริฐที่สุดได้ถ้าเราได้เข้าถึงสมาธิขั้นเต็มที่แล้ว เราจะรู้ว่าไม่มีอะไรจะสุขเท่ากับความสงบแล้วเราก็จะสามารถเลิกความอยากต่างๆได้เพราะไม่มีอะไรในโรกนี้ที่เราหามาตามความอยากของเราที่จะให้ความสุขเท่ากับความสุขที่เราได้จากความสงบได้จากความรวมเป็นหนึ่งของใจนั้นเราต้องพยายามสร้างสติขึ้นมาให้ได้ พยายามเราเลิกถึงพุโทโธพุธโทโธไปเรื่อยๆพอตื่นขึ้นมาก็พุโทโธพุธโทโธไปภายในใจไม่ว่าเรากำลังจะทำอะไรก็พุโทโธพุธโทโธไปถ้าจะคิดก็หยุดพุโทโธไว้ชั่วคราวถ้าต้องคิดเรื่องงานเรื่องการเรื่องจำเป็นที่จะต้องคิดก็หยุดพุโทโธแล้วก็คิดพอคิดเสร็จแล้วก็กลับมาพุโทโธใหม่อย่าปล่อยให้คิดเรื่อยเปื่อยอย่าปล่อยให้คิดแบบไม่มี หลับเกณฑ์ไม่มีเหตุไม่มีผลถ้าปล่อยให้คิดเรื่อยเปื่อยใจก็จะฟุง้งแล้วก็จะไม่สงบแต่ถ้าเราควบคุมความคิดเหล่านี้ได้ใจก็จะนิ่งจะสงบแล้วเวลานั่งสมาธิใจก็จะรวมรวมแล้วก็จะเจอความสุขที่แท้จริงความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งปวงแล้วเราก็จะสามารถหยุดตัหาความอยากต่างๆได้ เวลาเกิดตัญหาเราก็จะบอกว่าอย่าไปทำตามเพราะได้ความสุขที่ไม่ดีเท่ากับความสุขที่เรามีอยู่และนอกจากได้ความสุขที่ไม่ดีแล้วยังได้ความทุกข์แถมมาอีกเพราะเวลาที่สูญเสียสิ่งที่เราได้ไปเราก็จะเสียใจนี่คือวิธีการที่เราจะมาทำให้ใจของเรานี่มีความสุขตลอดเวลา ไม่มีความสุขตลอดไปอันนี้แหละเรียกว่ามงคลที่สูงสุดคือการได้ไปถึงพระ น, นิพพานพระนิพพานก็คือการที่ไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจของเรามีแต่ความสุขตลอดเวลาเกิดจากการที่เรามาฟังเทศฟังธรรมแล้วนำเอาธรรมที่พุทธเจ้าทรงสอนไปปฏิบัติก็คือไปทาบุญทำทาน ไปรักษาศีลแล้วก็ไปเจริญสติเจริญสมาธิแล้วก็เจริญปัญญาตามลําดับถ้าเราปฏิบัติได้เราจะกําจัดความทุกข์ต่างๆเพราะเราจะสามารถหยุดความอยากต่างๆได้เมื่อไม่มีความอยากก็จะไม่มีความทุกข์เมื่อไม่มีความทุกข์ก็จะมีความสุขไปตลอดนี่คือคําสอนของพระพุทธเจ้า ที่จะทำให้ชีวิตของเราร่มเย็นเป็นสุขมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นไปตามลำดับจากมนุษย์ไปเป็นเทพจากเทพไปเป็นพรหมจากพรหมไปเป็นพระอริยะบุคคลขั้นต่างๆจนถึงขั้นพระอรหันตสาวกจึงขอให้ท่านนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิพิจารณาและปฏิบัติ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้ยงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญ ด้วยอายุวันนาสุขภาละโดยทั่วหน้ากันเธอ